และพยายามเข้าถึงความสงบนั้นความสงบก็จะกลางสิ่งชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นสาระของการปฏิบัติอยู่ที่ตัดต้นเหตุของความหุ่นวายมากกว่าที่จะสร้างความสงบชั่วคราวขึ้นอุปมาเหมือนใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือหลังฉากเห็นน้ำเดือด เราไม่เข้าใจว่าเหตุที่น้ําเดือดเนี่ยเพราะมันมีฟืนมีไฟลุกไฟกําลังต้มน้ําอยู่ก็อยากจะให้น้ําได้สงบไม่ให้มันเดือดก็เอามือไปตบตบเข้าเพื่อให้น้ํามันไม่เดือดผลก็คือทั้งไม่สําเร็จแล้วทั้งก็เจ็บปวดเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นบุคคลที่อยากสงบนั้น มักจะพบกับความวุ่นวายเรื่อยไปชินอยู่ที่บ้านหที่โรงเรียนอยากจะเป็นคนสงบกลับรู้สึกว่าเพื่อนหนึ่งพูดดังมากๆสิ่งรบกวนนี่ยิ่งเวลวร้ายหนักขนีเพราะเราไปอยากสงบขึ้นทีนีเราไม่ต้องการความสงบแต่เราเพียรที่จะตัดต้นเหตุของความวุ่นวายเรื่ร้อน ความสงบก็เกิดขึ้นเองเมืน่อคนผู้นั้นเข้าใจสมัยเขาเพียงจะเอามือสาไฟเลือกฟืนออกไม่ช้าไม่นานา น, น้ำนันก็เริ่มสงบแล้วน้ำก็เริ่มเย็นกลับมาสู่สถานะเดิมได้นี่เราจเจริญนปพพานนะครับปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะตัดต้นเหตุ ของความเดือดร้อนดังนั้นเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนชนิดใหม่ขึ้นต้องไม่สร้างเหตุของความเดือดร้อนอย่างใหม่ขึ้นต้นเหตุของความเดือดร้อนใจนั้นไม่ใช่อะไรอื่นคือนิสัยเคยตัว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 เรากำลังเพลินอยู่แต่สมมุติเรานอนหลับในขณะ ท, ทีวีกำลังมีละครสนุกแต่เราไม่ต้องการจะดูมันอยู่แล้วในักข่ายเดินมาปิดเราก็ไม่โกรธเพราะเราไม่ไม่ติดมันอยู่แล้วรดังนั้นความพลิดเพลินในอารมณ์นั่นเองที่เป็นเชื้อ หลอเลี้ยงให้ให้นิสัยของเราหมุนไปในทางที่จะเป็นทุกข์ได้บ่อยๆเราทาอะไรแล้วก็เพลินเผลอไปเรื่อยจะเที่ยวเราก็เที่ยวเรื่อยจะดื่มเราดื่มเหล้าเมาสุราแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆในสุดกเพลินจะ ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเรามักจะลืมตัวแล้วก็เพลินเข้าไปในในสิ่งที่เรากระทำนะพราะมีอะไรสักอย่างมากขัดขวางหยุดยั้งสิ่งที่เรากำลังเพลินตาเพลินใจเนะี่ยมันก็จะกลายเป็นโทสะขึ้นมาทันทีการเพลิดเพลินนั้นเป็นการย้อมติดเหมือนที่เราเอาผ้ า, าขาวๆเนี่ย ุในสีสีย้อมผ้ามก็ติดยิ่งสีดีเท่าไหร่นะครับยิ่งติดหนักอารมณ์ยิ่งสนุกเท่าไหร่ยิ่งอ ร, อร่อยเท่าไหร่ยิ่งติดหนักแล้วลืมยากแกะออกยากถ้าพวกเราเป็นชาวท้องนาก็าคงเคยเห็นควายหรือวัว แล้วเราคงเคยเห็นปลิงซึ่งคี่เขาเรียกปลิงควายเนี่มันดูดขาควายแล้วตัวโ ต, วตวเท่ากับปั้นนะครับดูดเลือดติดแล้วออกยากดึงด้วยมือนี่ไม่ใช่จะดุดศานาหรือผู้รู้เขาจะเอายาเส้นยาขึ้นบ้านยาสูบยาเส้นนะครับ แล้วก็ผสมกับปูนเขาแล้วก็คลุกน้ำแล้วก็บีบบีบลงไว้ที่จุดที่ปริงดูดขวายนะั้นในสุดมันจะหลุดเองเพราะว่ า, าปริงมันมันแพ้แพ้ยาเส้นฉันไทยก็ฉันนั้นนะครับเมื่อเรารู้สึกตัวมากๆเราก็จะหลุดออกจากความเพลิน ืออฉันนั่งคิดอะไรเพลินพอรู้สึกตัวก็หลุดออกปัจนี้ไม่เพลินไม่เผลอเวลาปฏิบัตินั้นหลักใหญ่ที่ว่าให้เผลอน้อยลงน้อยลงะเ <S an> มืเ่อเผลอน้อยลงน้อยลงมันก็รูม้มากขึ้นมากขึ้นถี่ขึ้นไวขึ้นโดยธรรมชาตินั้นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หรือกิเลนั้น มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่มันจะจอนเข้ามาจับเป็นพักๆเป็นครั้งๆเมื่อตาเราไปเห็นอะไรสวยๆเข้ามันก็เกิดเพลินขึ้นมาฟังเสียงอะไรก็า ะ, าะจะเป็นเพลงก็ดีหรืออะไรก็ดีแล้วเราฝึกปรือที่จะให้มันเพลินด้วยอย่างนั้น นานเข้าเนี่ยครับเราค่อยๆกลายเป็นคนที่อ่อนแอเมื่อไม่ได้ดังที่ต้องการก็จะกลายนคนที่เบล็ไม่หนักแน่นไม่รากฐานในตัวเองไม่หนักแน่นเพราะชอบติดยึดในอารมณ์นะเนี่ยจะร่วมงานร่วมการกับใครร่วมชีวิตกับใครนะั่นก็ไม่หนักแน่นเมื่อไม่หนักแน่นในทุกๆทางแล้ว ความสัมพันธ์กับเราผู้คนเนี่ยมิตรภาพความรักความรับผิดชอบก็จะจะน้อยลงน้อยลงในสุดทุกโทษก็เกิดขึ้นรอบด้านครับเปรียบเสมือนไม้ซึ่งเราเอาพิงไว้ที่จอมปลวกเราไม่รู้จักจอมปลวกเอาไม้ไปพิงมอนเข้าไม่เช้าไม่นอนครับปลวกก็กินจนแม้ลูกทรงภายนอกจะดูเป็นไม้อยู่แต่ข้างในไม่มีอะไรเหลือ กมเองเคยพบคนเะเนนี้มากครับก็หลเห็นโทษมากบางคนเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เป็นคนุณหญิงคุณนายดูภายนอกสง่างามท่าทีร่ำรวยมีแหวนเพชรหลายวงแต่พอ ส, สนทนาปราสายแล้วจึงรู้ว่าคนคนนี้ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีราคามา้แต่นิดเดียวตัวเขาสู้เพชรของเขาก็ไม่ได้ตัวเขาไม่มีอะไรเลย นอกจากความติดยึดในอารมณ์อ่อนแอขี้ระแวงคนอื่นหงุดหงิดแล้วก็ริษยากันและกันในสุดหัวใจของคนคนนั้นนะครับกลายเป็นไม่มีน้ำเลี้ยงคือจะทำอะไรนะี่เป็นเรื่องเสแสแร้งแกล้งทำปกป้องตัวเองตลอดเวลา